อ่ะเดียวเราจะศึกษาพระธรรมกันต่อเนาะนี่เราจะศึกษาตัวสภาวธรรมอาจจะพูดในเชิงเจาะข้าหารายละเอียดในคําสอนในสภาวธรรมมากขึ้นนะวันก่อนได้พูดถึงเรื่องของรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันสมเณรบอมก็น่าจะเข้าใจได้ชัดขึ้นเพราะาได้ศึกษากลุ่มสภาวธรรมเหล่านี้มาค่อนข้างดี เมื่อศึกษามาดีก็จะต้องออคอยช่วยท่านนี้ในการอรนี่อ่งการแยกแยะบางส่วนด้วยศึกษามาก็ต้องมาวิจัยแยกแยะให้ชัดวันก่อนพูดถึงในเรื่องของรูปขันและพูดถึงในเรื่องของเวทนาขันใช่ไหมสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันรูปขันก็คือส่วนประกอบฝ่ายรู ป, ปรธรรมทั้งหมดร่างกายพฤติกรรมทั้งหมดนั่นแหละ ว่าโดยหลักก็คือมาโพธิโรปปาทายรูป เ, เวทนาขันได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดจากผัสสะทางประสาททั้ง5ด้วยและกรทั่งใจเพราะสายการกระทบกันขึ้นมาก็เกิดเวทนาทั้งสุขคเวทนาทุก ข, ขเวทนาแล้วก็อทุกขมาสุ ข, ขเวทนาส่วนสัญญาขันก็ได้แก่ความกําหนดได้หมายรู้ก็คือการกําหนดเครื่องหมายกําหนดลักษณะ เป็นเหตุให้จำอารมณ์ได้นั้ น, น, นได้เนาะถ้าไม่กำหนดจะจำได้ไหมจำได้หรือไม่ได้นั้นทุกอย่างก็ใครอยากจะสร้างสัญญาขันให้ทำหน้าที่ก็มีการขีดเครื่องหมายบ่อยๆในใจเข้าใจคำว่าขีดเครื่องหมายไหมสมมุติว่าเราเห็นถังใบเนี้ยเราก็ดูทั้งหมดแล้วอะไรจะเป็นเครื่องหมายที่เราจะจำ แล้วก็กําหนดตัวนั้นก็ไว้อ๋อมันมีจุดต่างตรงนี้ที่เราจะจําไว้เช่นเออมันมีลักษณะไอ้ถังใบเนี้ยไอ้ตรงตรงที่เหี้วมันเนี้ยมันมีลักษณะพิเศษท้งวันอยู่เออก็จําเครื่องหมายตรงนั้นไว้เนี่ยการมาร์คเครื่องหมาย บ, บ่อยๆอย่างเงี้ยก็เหมือนการเดินเข้าไปในป่าแล้วก็เวลาเดินมาแล้วเราก็ใช้มีดคนที่เดินมาข้างหลังก็ใช้มีดตัดกิ่งไม้ไปเรื่อยเรื่อยเพอจะเป็นเครื่องหมายว่าขากลับเราจะได้ไม่ลง นี่เขาเรียกมารเครื่องหมายอย่างนี้แหละสังขารละขันธ์ก็คือได้แก่การประกอบหรือคุณสมบัติของจิตมีเจตน า, าเป็นตัวนํา <c oughs> เขาเรียกการปรุงแต่งแต่งจิตให้ดีก็ได้ปรุงแต่งจิตให้ชั่วก็ได้ ก, กลางๆก็ได้ถ้าเรารู้ตัวเจตสิกเสร็จแล้วจบเลยใช่ไหมเว้นสัญญาเจตสิกอะเวทนาเจตสิกออกไปเสียเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารละขันธ์มีใครเป็นตัวนํา เออมีเจตนาเป็นตัวนำทำไมถึงบอกว่าเจตนาเป็นตัวนำเพราะเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนาชักชวนชักนาสั ม, มัญธรรมที่เกิดร่วมกับกระตนให้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการที่คอยไปเคาะไปกระตุน้นให้กลุ่มบรรดาสังขารธรรมเหล่านั้นนะ่ะทำกิจของตนเองไม่ให้ย่อหย่อนเออเจตนาจึงมีบทบาทสาคัญมากในกลุ่นคุณภาพของจิต ประการต่อมาคือสัญญาเอาวิญญาณขันอันนี้จะแก่ความรู้แจ้งอารมณ์ทางภาษาทาั้ง5และทางใจด้วยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายและการรู้อารมณ์ทางใจนี่นะนี่ลักษณะอย่างนี้เออทีนี้พอรู้เรื่องขันห้าแล้วเนี่ยประการต่อมาก็มากําหนดทําความเข้าใจในเรื่องของสัญญาวันก่อนพูดถึงเรื่องสัญญา สัญญาเนี่ยเป็นความรู้จำพวกหนึ่งนะอันนี้รู้แบบสัญญารู้มันจะมีรู้แบบสัญญารู้รู้แบบวิญญาณรู้แล้วก็รู้แบบปัญญารู้นี่แหละที่โดยมากไปเจอในอัจฉริขยายไว้ค่อนข้างเยอะรู้แบบสัญญารู้เป็นการรู้จำหมายการรู้กาหนดการอาการของอารมณ์เช่นลักษณะสสวนทรงสีสันฐานชื่อเนี้ยนะเขียวขาวดำแดงดังเบาทุ่มแหลมเป็นต้นน่ะผอมอ้วน หรือไปจำในเรื่องของโต๊ปะปากกาหมูหมาแมวคนนี่เป็นตั ว, ว, เ, นะวเราเนี่ยนะเขาเราเนี่ยไอความรู้ในลักษณะอย่างเนี้ยอาศัยการจับประเชิญหรื อ, อาการเทียบเคียงระหว่างประสบะการณ์และความรู้เก่าเก่า ก, กับประสบการณ์ความรู้ใหม่มาชนกันมาปะทะกันขึ้นมาก็ทำให้เราระลึกได้ไดนึกได้เช่นพบเห็นคนหรือสิ่งของที่เคยรู้จักแล้วก็ได้ยินเสียงที่เคยได้ยิน ถามว่าตรงนี้ก็ยกตัวอย่างว่านายกรเนี่ยรู้จักนายเขียวต่อมาอีกเดือนหนึ่งนายกรก็เห็นนายเขียวอีกแล้วรู้ว่าคนที่เขาเห็นนั่นคือนายเขียวอย่างนี้เขาเรียกว่าจําได้ใช่ไหมจำได้มองเห็นไหมอย่างเงี้ยเออในลักษณะเงี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นประสบะการณ์ใหม่ไม่ตรงกับประสบะการณ์เก่าเราก็ปล่อยนําเอาประสบการณ์หรือความรู้เก่าที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนั่นเองเอามาเทียบเคียงเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ แล้วก็หมายรู้สิ่งนั้นตามคำบอกเล่าหรือตามที่กำหนดเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่นันไม่ใช่นี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกำหนดหมายหมายรู้เนี่ยนะเออลักษณะนี้เขาเรียกเป็นความรู้แบบสัญญาชนวิญญาณเนี่ยแปดแบบตามแบบก็แวรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งอารมณ์ความรู้ประเภทยืนพื้นตัววิญญาณเป็นประธานของนามธรรมา ท, ทั้งหมดเป็นวิญญาณขันไม่ใช่วิญญาณวิ่งออกจากล่าง วิญญาณแปลรู้แจ้งรู้แจ้งสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นฐานเป็นทางเดินให้แก่นมามะธรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับนามะขันท์ทั้งหมดมีเป็นความรู้ต้นและก็เป็นความรู้ตามด้วยถามว่าธีบักรู้ต้นเนี่ยเป็นความรู้เริ่มแรกเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสอย่างนี้วิญญาณก็เกิดขึ้นก็เกิดความสึกชื่นใจบ้างบีบคั้นใจเป็นเวทนาใช่ไหม ถ้าเกิดชื่นใจหรือทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นเวทนาประกอบแล้วประกอบกับอะไรประกอบกับวิญญาณขันนั้นถ้ากำหนดได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่แปลว่าอะไรเป็นสัญญาขันใช่ไหมจึงจะจำนองตอบหรือคิดปรุงแต่งไปต่างๆก็เป็นสังขารเป็นต้นเห็นท้องฟ้าปุ๊บวิญญาณ น, นีรู้สึกชื่นใจเนาะรู้สึกชื่นตาชื่นใจปุ๊บ พอเมองปุ๊บเนี่ยมองขึ้นไปข้างบนปุ๊บอ่ะเห็นแตงไฟสมมุตินะแล้วชื่นตาเกิดความชื่นใจขึ้นแปลว่าอะไรองค์ประกอบอะไรมาเออเวทนาเป็นองค์ประกอบแล้วนะรู้ว่าเป็นท้องฟ้ารู้ว่าเป็นแสงไฟสดใสเป็นอะไรชอบใจขึ้นมาเออไม่ชอบใจเออเห็นไหมก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยมันก็ปรุงแต่งเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนเนี้ย ที่เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นโอไอตัวเป็นความรู้ต้นเลยไอการเห็นเนี่ยวิญญาณไปทําหน้าที่เห็นพอเห็นปุ๊บเกิดความสุขทุกข์เชื่นใจไม่เชื่นใจเวทนาถ้าจําได้เออถ้าปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจยัง <c oughs> จะเป็นลักษณะเงี้ยบ่อยไหมชีวิตเออมันจะวนในลักษณะอย่างเงี้อ ย, อ, อ, นน อ, ยอันนี้ก็รู้ต้นถ้รู้ตามรู้ยังไงอ่ะ รู้ควบคู่ไปกิจกรรมของขันอื่นเช่นรู้สึกสุขเป็นรู้สึกสุขนี่เป็นเวทนาหรือรู้ว่าเป็นสุขก็เป็นวิญญาณนะสังเกตว่ารู้รู้สึกสุขกับรู้ว่าเป็นสุขไม่เหมือนกันนะรู้สึกบีบคันไม่สบายใจก็เป็นเวทนารู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็วิญญาณนะ ความหมายรู้ในลักษณะนี้เป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์เนี่ยสัญญาก็รู้ไปตามนั้นเราคิดปรุงแต่งจํานงไปตามนั้นก็เป็นสังขารนะดีไม่ดีชอบไม่ชอบในต้นเหล่าเนี่ยเนี่ยกระแสของความรู้พื้นพื้ น, น, นทั้งหลายเราเนี้มันเกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ไปสังเกตเอาเนาะแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดรวดเร็วนั่นแหละแล้วแต่ตัวไหนจะเด่นพอเด่นออกมาแล้วสังเกตเห็นตัวไหนก็อย่าไปเพี้ยนกับมัน <c oughs> ต้องทําความเข้าใจให้ชัดตรงนั้นเน่ะ บางคนเพี้ยนแยกไม่ออกวิญญาณก็คือเป็นการรู้ตามรู้ความต่างเฉพาะรู้ความหมายจำเพาะรู้แยกต่างความหมายที่เพียงเข้าใจโดยตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นผืนผ้าลายๆปุ๊บที่ว่าเห็นนั้นแม้จะไม่ได้กําหนดหมายว่าเป็นอะไรย่อมเห็นลักษณะการเช่นสีสันเป็นต้นซึ่งแตกต่างจากการจากการเป็นพื้นเดิม ไอ้ความรู้พร้อมเสร็จในรักในเป็นความรู้ขั้นวิญญาณเป็นการรู้แจ้งเนาะวิญญาณเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสัญญาถ้าเป็นสัญญาก็หมายรู้อาการที่แตกต่างกันได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเขียวขาวแดงเป็นต้นเหล่านี้หรืออย่างธรัประทานผลไม้ถึงจะไม่กําหนดหมายว่าเป็นรสหวานรสเปรี้ยวก็รู้สึกที่หวานที่เปรี้ยวนั้นที่แตกต่างกันเนี่ย แม้ในรสที่เปรี้ยวและหวานด้วยกันนั้นแม้จะไม่ได้กําหนดหมายว่าเป็นรสเปรี้ยวเป็นมะม่วงเปรี้ยวเป็นมะปางเปรี้ยวเป็นมะขามเปรี้ยวเป็นมะนาวหรือเปรี้ยวเป็นสับปะรดหรืเปรี้ยวหรือว่าหอมหวานเป็นเป็นตัวเหล่านี้หวานกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยไข่หรือกล้วยหรือแอปเปิลเนี่ยเมื่อลิ้นเนีเมื่อริมก็รู้สึกรสที่ต่างจำเพาะเนี่ยอาการความรู้อย่างนี้คืออะไรที่จริงเป็นวิญญาณนะเป็นความรู้ยันยืนพื้น เมื่อรู้แล้วนามขันอื่นก็จะทำงานก็คือปฏิบัติหน้าที่เช่นรู้สึกอร่อยไม่อร่อยเป็นอะไรเป็นเวทนาจำได้เป็นรสอะไรอันนั้นเป็นสัญญาเป็นต้นชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นสังขารเนี่ยความรู้ในลักสณะเนางนี้อันนี้ก็ไปแยกอาจจะไม่ค่อยชัดหรอกแต่ว่าก็ทำให้เห็นความต่างนะทำให้เห็นความต่างว่าอันนี้กลุ่มนามาทาทั้งหลายเขากาลังทาหน้าที่เ้าอยู่ แต่าอไปรู้ไปเห็นหรือสภาวธรรมเขากาลังทําหน้าที่อยู่มีอิทธิพลต่อความเห็นไห ม, มเราไปกํากับอยู่ทุกครั้งเลยว่าเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ได้กินได้สัมผัสได้เห็นได้ยินทั้งหลายเป็นต้นเราเข้าใจเราไม่เข้าใจเนี่ยนะเนี่ยความสําคัญมันเลยกลายเป็นแบบนี้แหละฉะนั้น พอมามองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในกลุ่มของนมามธรรมทั้งหลายมันกลายเป็นตัวถ้าพูดถึงด้านเวทนาเนี่ยถ้าแปลกันว่าสวยอารมณ์หรือสวยรสของอารมณ์เนี่ยความรู้สึกต่อสิ่งที่ถูกรับรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งก็มีการรับรู้เป็นความรู้สึกสุขสบายถูกใจชื่นใจเลยทุกบีบคั้นเจ็บปวดหรือเฉยๆอย่างไรอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเวทนานะใช่ไหมบ่อยไหมชีวิตไอตัวนามธรรมนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมตลอดเวลาไหม เขเกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละข้อที่ควรทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเวทนาคือได้ป้องกันการ ส, สับสนกับสังขารเวทนาเนี่ยเป็นกิจกรรมของจิตในขั้นรับหรือก็คือการเกี่ยวข้องกับผลที่อารมณ์มีต่อจิตเท่านั้นยังไม่ใช่ขั้นที่จะเป็นฝ่ายจำงหรือกระทำต่ออารมณ์สรุปก็คือเวทนาเนี่ยเป็นตัวผล เป็นตัวผลเป็นตัวรับเป็นตัววิบากไม่ใช่ตัวสร้างเหตุนะเป็นตัวผลเป็นตัวรับยังไม่ใช่เป็นที่ฝ่ายจํานงหรือกระทําต่อลมมันไม่ใช่ฝ่ายสร้างฝ่ายกระทําซึ่งเป็นกิจกรรมฝ่ายที่จะจะชอบไม่ชอบเนะีเป็นต้นอะไรเนี่ยตามปกติเนี่ยจะใช้คําแสดงกิจกรรมในหมวดของสังขารนี่เป็นอาการสืบเนื่อง จากเวทนาอีกทีหนึ่งนั้นเพราะคําว่าชอบไม่ชอบชอบใจไม่ชอบใจแสดงถึงการจําำงหรือการกระทําต่ออารมณ์นี่ยเอยกตัวอย่างเช่นเห็นรูปที่น่าปรารถนาหน้าใครเกิดจากวิญญาณใช่ไหมสัมผัสกับอิทธารมณเกลลมที่หน้าปรารถนาและน้าใครเพราะเพราะจากักขู่วิญญาณนะจกักขุประสาทนะ เพราะจากกุป萨ะกะโรปอารมณ์สัมผัสกันแต่อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ดีนี่จนมองมาที่นี่ฝาผนังเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นสีที่ดีกระทบกันปุ๊บเกิดจากขุณญาณไอ้จากคุณญาณเนี่เป็นญาณขันนะกระทบปุ๊บจากขุณญาณเกิดเพราะจากคุณญาณเกิดปุ๊บเกิดสุขเวทนาความสบายขึ้นมาก็กลายเป็นเวทนาใช่ไหมทีนี้พอชอบใจต่ออารมณ์นั้นเป็นอะไร เป็นราคาราคาเป็นสังขารแล้วใช่ไหมเนี่ยได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนารําคาญโสตสมมุติเราได้ยินเสียงเนเสียงไม่น่าปรารถนารําคาญพอลาคาลไอโสตวิญญาณก็เกิดเกิดความทุกไม่สบายเป็นทุกขเวทนาทีนี้ไม่ชอบใจต่ออารมณ์นั้นเป็นสังขารนี่เหมือนกันในกลุ่มโทสะนะท่า น, นเวทนามีความสําคัญมากเพราะเป็น สิ่งที่มุ่งประสงค์ใช่ไหมเป็นสิ่งที่มุ่งประสงค์สอดแสวงหาหมายถึงสุขเวทนาและเป็นสิ่งที่เกลียดกลัวอยากจะเลี่ยงหนีหมายถึงทุกขเวทนาสำหรับสัตว์ทั้งหลายก็อยู่กันแค่นี้จุดประสงค์ของสัตว์ทั้งหลายอยากจะได้สุขเวทนาอยากจะหนีอยากจะหลบทุกขเวทนาใช่ไหมหลายหลายคนที่ทำงานทุกวันนี้ มีอะไรเป็นจุดหมายมีอะไรเป็นเป้าหมายเวทนาไอตัวเวทนาตัวเนี้ยเป็นเป้าหมายไอตัวสุขเวทนานี่แหละอนี้ไอสุขเวทนาเนียมันอยู่ที่ไหนมันเกิอยู่ที่ไหนสุขเวทนาทุกเวทนามมนเกิดที่ไหนมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่สภาพจิตใจเรานี่แหละแต่เมื่อคนไปเข้าใจว่าสิ่งนี้ ถ้าเราได้สิ่งนี้มาแล้วจะทำให้เราสุขเราก็เลยปรารถนาสิ่งนี้แต่จริงๆมันมีอะไรเป็นจุดหมายมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายมีไอ้ตัณหามันก็เลยมีไอ้เวทนาเลยเป็นจุดหมายแหละมันถึงมันถึงดิ้นไงเป็นอะไรเออเนี่ยลักษณะอย่างงี้ยหมายถึงตัวสุขเวทนาทุกเวลาสำหรับสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีการ รับรู้เกิดขึ้นแต่ละครั้งเวทนาจะเป็นจะเป็นเขาเรียกเป็นขั้วต่อเมื่อเป็นขั้วต่อแล้วก็เป็นต้นทางแยกที่จะชี้แนะส่งแรงผลักดันแก่องค์ธรรมอื่นๆว่าจะดําเนินไปในทางใดอย่างไรเช่นถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วสุขเวทนาก็จะกําหนดหมายอารมณ์นั้นมากและในแง่ หรือในแนวทางที่จะสนองเวทนานั้นหรือคิดปรุงแต่งเพื่อให้ได้อารมณ์นั้นมาเสพเสวยต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นลักษณะอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยทั่วๆไปก็คือพอรับรูปแต่ครั้งแต่ครั้งเนี่ยเวทนานี่เป็นอาศัยตาแระรูป เ, เกิดจากขวัญญาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนา เอาแหะสิเนี้ยพอมันเกิดได้สุขเวทนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มจําเริ่มทําความเข้าใจาากับเวทนากับไอสิ่งของเหล่านั้นแล้วเห็นไหมไอตัวสัญญาก็จะมีบทบาทสังขารก็จะมีบทบาทขึ้นมาอีกเยอะมากเลยเช่นถ้าเราเจอมแมลงตัวไหนบินเข้ามาปุ๊บมาเกาะที่ผิวเราปุ๊บแล้วมันต่อยให้โอ้โหตอนนี้มันได้ทุกเวทนาใช่ไหมไปสัญญาปรงแต่งทันทีเลยตอนนี้นะโอ๊ยไม่ได้เรื่องแล้วเว้ ย, ยนะ แล้วมันจะเป็นลักษณะไรเงี้ยแล้วมันจะไปที่หาแสวงหาสุขเวทนาถ้าเป็นนอนในที่ตรงไหนมันได้สุขเวทนาโอ้โหจํำไหยจำไม่จาทําความเข้าใจพวงแต่งแล้วไม่ปวงแต่งเออพวงแต่งมันอยากจะไปตรงนั้นแหละแล้วไปหาคนไหนมันได้สุขเวทนาโอ้มันเลยมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายไหมองค์ธรรมอื่นๆโอ้โหมากันเป็นแถวจําไว้ไ ห, มหมดเลยแต่เนี้ย เมืม่อ ว, วานไปคุยกับคนนั้นสนุกโทรศัพท์ไปคุยกับคนนั้นสนุกเห็นหน้าคนนั้นแล้วสนุกมันมันสุข่งเห็นหน้าคนนั้นก็สุขใจคุยก็สุขใจได้ไปเที่ยวที่ตรงนั้นก็สุขใจเนี่ยสัญญามันก็ไปปรุงแต่งตามเวทนาเวทนาเป็นขั้วต่อเลยเนะยใช่ไหมเป็นขั้วต่อเลยเป็นแต่มันมีกะมันดําเนินไปเป็นเหตุทําให้เอชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเลยทีเนี้ยถ้ามองอย่างนี้เห็นเลยว่า เมื่อมีการรับรู้อารมณ์แต่ละครั้งอารมณ์ทางตาบ้างอารมณ์ทางหูทางจมูกทางเลิ้นทางกายและทางใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งเวทนาจะเป็นขั้วต่อแล้วก็เป็นต้นทางแยกชี้แนะส่งแรงผลักดันแกองค์ทางมื่นอื่นว่าจะเดินมืนการไปทางเช่นรับรู้ปุ๊บเกิดสุขก็จะกำหนดหมายทันทีถ้รับสู้รับรู้ปุ๊บเกิดทุกข์อือหือพอเกิดทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มอยากจะหลีกอยากจะหลบอารมณ์นั้น มองอย่างนี้อย่างว่าสภาวธรรมต่างๆเนี่ยชีวิตของเราเราก็จะอยู่กันแค่ตรงนี้แหละสังเกตให้ดีนะอายตนะใช่ไหมเราเรียนเรื่องวิธีมาใช่ไหมอา้าวแต่เนี้ยก็ต้องดูให้ดีให้ชัดว่าจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้เขาวิเคราะห์ออย่างนี้ไหมวิเคราะห์ไหมว่าจริงๆแล้วจุดหมายของพวกเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์เห็นไหมไปเรียนว่ามันเกิดขึ้นอย่างไงเท่านั้นเองใช่ไหม เออเนี่ยจากกุญญาณสมัมประติชนะสันติรณนโะวตเทปนาชาวนาะตตาลามนะท่ารมมาสุดท่ามโนทวารวิถีก็พูดเรื่องเนี่ยทางด้านจิตใจที่เป็นการมารับการมมาทําเป็นอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจก็อยู่กันแค่นี้แต่เราไม่เคยรู้ว่ากระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรดีสิใช่ไหมเอาแต่นี่ก็มามาสโลภาพหรือมาพูดที่มันช้าลงอย่างที่ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าไอตัวเวทนามีความสําคัญ ว่าเป็นสิ่งที่มุ่งประสงค์มันส่อสแสวังหากันทุกวันนี่ก็สแสวงหาทุกเวทนาแล้วก็น่ารังเกียจอยากจะหลีกอยากจะเลี่ยงทุกเวทนาเป็นอย่างนั้นไหมอยากเอาสังเกต ด, ดูไหมที่ที่เวทนาเกิดได้กี่ทางทางตาได้ไหมทวารตา ทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเออเวทนามันเกิดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มึนๆงงๆต่อชีวิตเราไปทำงานทำไมเนี่ยเราอยากได้สุขเวทนาใช่ไหมเราไปนอนทำไมเนี่ยก็อยากได้สุขเวทนาสิอยากกินทำไมก็อยากได้สุขเวทนาใช่ไหมอาบน้าก็อยากจะได้สุขเวทนาใส่เสื้อผ้าก็อยากได้สุขเวทนาจริงจริ ง, รงมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายไหมชีวิตเนี่ย ถ้าตั้งตั้งไว้อย่างเนี้ยมันตั้งไว้ถูกหรือผิดจริงๆแล้วมันควรจะทํำยังไงมันควรจะเดินเพื่ออะไรเลยเนี่ยกินเพื่ออะไรนะใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรกินอาหารเพื่ออะไรเนี่ยเราจะเอาเราจะวางท่าทีทางใจยังไงมันถึงจะถูกทางนะถึงจะบอกว่าถ้ามีเวทนาเป็นจุดหมายก็แปลว่าจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่ออะไรไอ้ เ, อเวทนาเป็นขันไหมเป็นเวทนาขันเป็นสัจจะอะไร ทุกขสัจจะก็แปลว่าเราหวังทุกชื่นชมในทุกยินดีในทุกปรารถนาทุกหวังทุกชื่นชมในทุกยินดีในทุกคลเรียในทุกปรารถนาทุกมันจะพ้นจากทุกไหมมันก็ไปกรอดกอดมันอยู่นั่นแหละเห็นไหมล้วเออมันจุดหมายเลยถ้าจุดหมายของหลักการของเราจริงต้องดับไหยต้องดับเวทนาไหมไม่เวรานานเกิดมาทุกผ้าเนี่ไอตัวดับเวทนาจริงมันคือนิพาน ใชทั้งกิเลสให้นิพพานก่อนแล้วจะได้เวทนาจะได้นิพพานตา ม, มาต่อไปก็ไม่ต้องมีเวทนาอีกต่อไปเลยเอจุดหมายของเรามันชัดอย่างนี้ไหมคิดอย่างนี้ไหมไม่เอาเราเวทนาเนี่ยมันไม่เคยให้มันไม่เคยมันไม่เคยมีของจริงแท้ใดๆเลยมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแป๊บๆๆๆใช่ไหมเกิดดับรวดเร็วไหมเกิดดับสืบต่อรวดเร็วเลยเนี่ยแล้วเรามาหวังไดในสุขเวทนาตัวเนี้ยเล่นหวังอะไรกันในชีวิตเนี่ย จดหมายของเราเราบอกว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันจะดีขึ้นไปได้ภรรยาจะดีขึ้นจะได้ลูกดีขึ้นในเงินได้ทรัพได้อะไรอุ้บอะไรก็ไม่รู้แท้จริงเราไปหวังว่ามันจะได้สุกเวทนาแล้วคิดว่าเราจะคอนโทรลสุกเวทนาได้ไหมเพราะเวทนาเป็นเที่ยงเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสงฆ์เป็นอัตตาหรือไม่ใช่อัตตาเป็นอนัตตาก็แปลว่าคอนโทรลไม่ได้หรอก มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือเป็นไปตามใจเราเออพอได้เหตุท้องสุขเวทนาเกิดขึ้นในพอเหตุแห่งสุขสุขเวทนาเกิดขึ้นได้เหตุแห่งทุกทุ ก, ทกเวทนาเกิดขึ้นทั้งๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างรวดเร็วอีกเหมือนกันแล้วระหว่างอะไรกั <c oughs> <c oughs> บมันเนี่ยใช่ไหมก็ดับสืบตอ่อ <c oughs> อีมองเห็นไหมเนี่ยว่าเรากําลังอยู่กับอะไรกันเห็นไหม เราคิดตามไหมอย่างเงี้ยแล้วเรากําลังอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่ควรยึดถือหรือไม่ควรยึดถือแล้วทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยเลแล้วตอนนี้เรา ง, งงๆกับชีวิตแล้วเราเริ่มเห็นทางเดินแล้วเห็นเวทนามีความสําคัญดังที่ได้กล่าวเนี่ยนี่ในตัวเวทนาดําเนินไปในทางใดทั้งเช่นถ้ารับรู้อารมณ์ใดแล้วเกิดสุขสบายาก็จะกําหนดหมายอารมณ์นั้นมาก และในแง่หรือในในแนวทางที่จะสนองเวทนานั้นหรือคิดปรุงแต่งเพื่อให้เกิดอารมณ์นั้นมาเสพสวยต่อไปดังนี้เป็นตน้นเกิดเอเวทนาเป็นอย่างนี้แหละอสังขารก็คือหมายรวมทั้งเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหมดเลยนะด้วยคุณภาพของจิตซึ่งมีเจรนาเป็นตัวนำเป็นประธานนี่แหละอันนี้เป็นกระบวนการเหงื่อเจลจดจมนงที่ชักจูงเลือกรวบเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นยมา ผสมมาปรุงแต่งความคิดนึกการพูดการทําก็ได้แก่ ก, กรคำทางกายทางวาจาและใจโอ้โหงนั้นกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมทั้งหลายเหล่านี้ไอตัวเจตนาเป็นตัวนำํำพอเกิดเจตนาปุ๊บขึ้นมาเจตนาก็ไปกระตุนทําให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบนะมีความรู้สึกที่ว่าปรุงแตง่งทั้งที่ดีและไม่ดีรอบกดหลงบางไม่รอ บ, ไ ม, รบไม่กดไม่หลงบางนั้นปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้ พอปงแต่งทั้งด้านใจปุ๊บเกิดมาก็ออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างกรำสา ม, มันก็เกิดไม่หยุดหย่อนกายกรรมวิมจีกรรมวโนกรรมใช่ไหมไ<ง>เจตจำน ง, งอะไรทํางานแปลว่าอะไรไ<ง>เป็นสังขารขัน<ง> เ, ออเจตนาเป็นประธานของสังขารขัน วิญญาณกับเจตน า, าก็เกิดร่วมกันอยู่เลยจริงๆแล้วในกลุ่มนามาธรรมทั้งหลายก็เกิดพร้อมกันนี่มาแยกอธิบายเท่า น, นั้นเองก็คือวิญญาณนัขันก็คือจิตแล้วก็เวทนาขันก็คือตัวตัวเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตส่วนสังขารลขันก็ตัวเจตนาเป็นต้นสังขารมีเยอะมากในบรรดานามาธรรมเนี่ยเป็นวิญญาณนัขันทั้หนึ่ง เป็นเวทนาขันท์เส้นหนึ่งแล้วก็เป็นสัญญาขันท์เส้นหนึ่งใช่ไหมอย่างละหนึ่งเป็นสามส่วนสังขารละขันท์มีห้าสิบปงเยอะแยะหมดเลยเป็นเครื่องปงอย่างมือหือมาธรรดาห้าสิบนั้นมีเจตนาเป็นตัวนําเป็นลูกพี่ใหญ่เจตนาไม่ใช่เป็นลูกพี่ใหญ่ในฐานะที่เป็นกระตุ้นเตือ น, นกลุ่มสังขารละขันท์ไม่เท่านั้นไม่พอ ยังมีอิทธิพลต่อการไปกระตุ้นให้เวทนาให้สัญญาและให้วิญญาณสังารทํากิจของตนเองด้วยเจตนาขนาดนั้นเรืะนะ่นเหมือนเหมือนหัวหน้าเลยเ จ, เ, จเจตนาเนี่ยเป็นเหมือนหัวหน้าเลยเจตนาเจตสิกเจตนาเนี่ยเป็นกลุ่มอยู่หมวดเดียวกับสังขารห้าสิบประเภทในห้าสิบประเภทเนี่ยเวลาจะทํากิจ สภาวะธรรมเหล่านั้นจะทํากิจอะไรเจตนาจะไปทําหน้าที่เคาะให้ทําหน้าที่ของตนเองไม่ให้บกพร่องและยังไปเคาะเวทนาให้ทาหน้าที่ด้วยไปกระตุ้นให้สัญญาทําหน้าที่ด้วยไปกระตุ้นให้วิญญาณคือตัวจิตทั้งหลายทําหน้าที่ของตนในขณะนั้นๆที่เกิดร่วมกันด้วยนี่มันมีอิทธิพลกันนงั้นเจตนานี่ก็จึงมีบทบาทสูงมากเขาเรียกธรรมชาติที่กระตุนต้นเตือนชักนำสาวไปยุะจรทำที่เกิดร่วมกันให้ทําหน้าที่ของตน ให้ทำหน้าที่ทีนี้ถ้าบอก้องจะเป็นกรรมมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเจตนาเนะเจตนาก็ต้องไปกระตุ้นเตือนให้กลุ่มสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยให้ทำหน้าที่เมื่อกลุ่มนามาทำเหล่านั้นทำหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่แล้วก็เลยส่งผลมาด้านจิตใจส่งมาด้านด้านพฤติกรรมและคำพูดก็เลยกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมโนกรรมแต่มีเจตนาเป็นตัวเด่น แต่เจตนาดวงเดียวทําพฤติกรรมให้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ทําจิตใจให้มีการคิดไม่ได้ทําคําพูดที่มีการเปล่งวาจาออกมาเป็นต้นไม่ได้ต้องอาศัยน้ำ ม, มาทำทั้งหมดเลยร่วมแรงร่วมใจกันเป็นการปรุงในการกระตุ้นเตือนก็เลยก า, การคิดการกระทําการพูดออกมาก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดติดต่อต่อเนื่องตลอดเป็นทั้งบุญและบาปแล้วแต่เจตจํานงดีหรือเจตจานงไม่ดีมองเห็นยัง ยิ่งใหญ่ไมันี้มนุษย์ก็ไม่เคยรู้ตัวเลย ว, ว่าเราถูกตัวนี้เป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆในชีวิตเป็นอย่างนี้ตอนนี้กำลังสเวสเวยผลอะไรต้องการอะไรเนี่ยจดหมายอยู่ที่ไหนต้องการสุขเวทนาใช่ไหมเออนี่อันเป็นอะไร แต่นหนามั น, นอยากดมหมือวางสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาแล้วหายไปอยังตอนนี้พอหยุดดมปุ๊บหายยังไม่มันยังมีสุขเวทนาต่อเนื่องอยู่ไหมเกิดดักสืบต่ออยู่ไหมหรือตอนนี้หายไปแล้วต่อสุขเวทนาที่เราปรารถนาเมื่อสักครู่หายไปยัง หายก็ดมต่อให้มันได้สุขยิ่งงขึ้นไปนี่ก็คือสังขารนะการอธิบายในเรื่องของศีลในเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่านมุ่งเอามุ่งแสดงตัวสภาวะเห็นว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรองค์ประกอบเขาก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันนี่แหละองค์ประกอบเนาะ มากกว่าที่จะแสดงกระบวนธรรมะที่กําลังดําเนินอยู่ว่าชีวิตเป็นอย่างไงเราฉะนั้นแต่เรบอกถึงเรื่องของขันห้าปุ๊บเนี่ยเขาพูดถึงว่าชีวิตมีองค์ประกอบอะไรบ้างใหม่ๆก็คือให้มีการแยกแยะให้ถูกก่อนว่าองค์ประกอบของชีวิตเป็นประกอบไปด้วยอะไรในส่วนของรูปธรรมมีอะไรบ้างในส่วนของเวทนาในส่วนของสัญญาสังขารในส่วนของวิญญาณเนี่ยในกลุ่มของดําดารูปธรรม1หมวดแล้วก็นามธรรมอีก4หมวดเนี่ยอันเนี้ยกลุ่มเหล่านี้มันรวมกันอยู่ เกิดร่วมเกิดดับสืบต่อต่อเนื่องยังไงเนี่ยเขามุ่งแสดงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าใครมีปัญญาไปแยกแยะองค์ประกอบเหล่านี้ได้เขาเรียกว่ารู้จักชีวิตคืออะไรถ้าไม่สามารถไปแยกแยะองค์ประกอบเหล่านี้ได้เขาเรียกว่าคนไม่รู้จักชีวิตคืออะไรยากไหมไม่ยากแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วก็มาศึกษาเดี๋ยวจะให้ท่องเลยนะแล้วเขาจะให้ท่องท่องทองท่อท่ อ, ทอจะได้รู้จักองค์ประกอบทั้งหมด ต่ไ ป, ไปคุยเรื่องตรงนี้โอ้เข้าใจกันเลยแต่เนี่ยเมื่เข้าใจองค์ประกอบแล้วเนี่ยอะไรให้ท่องให้ทําความเข้าใจเมื่อท่องทาความเข้าใจก็ไปคิดแยกแยกะต้องรู้จักชื่อรู้จักไอ้หน้าตาของเขาเนี่ยรู้จักองค์ประกอบก่อนลําดับแรกก็รู้จักองค์ประกอบทีนี้พอเริ่มรู้จักองค์ประกอบแล้วต่อไปก็รู้จักว่าในกรณีที่บอกว่าชีวิตมันคืออะไรเนี่ยนะก็คือองค์ประกอบกันน้า อธิบายเรื่องของสังขารในขั้น5ตามปกติจึงพูดแต่ในแง่ที่เป็นเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจิตหรือปรุงแต่งของของจิตว่ามีอะไรบ้างแต่และอย่างมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีการทําหน้าที่อย่างไรส่วนอาการอธิบายในแง่กระบวนการการปรุงแต่งนี่เป็นขั้นของการออกโรงแสดงท่านยกไปกล่าวไว้ในปฏิจจสุบาัอันนั้นชีวิตเป็นอย่างไรอย่างยั ง, ยงไม่กล่าวก่อนชีวิตคืออะไรก่อน ถ้กชีวิตเป็นอย่างไรนี่โอ้โหมันทําหน้าที่งมันอะไรบ้างนี่โอ้โหนี่แหละไปกล่าวนี่กระบวนการในปฏิจจสมุปบาทบ้างกระบวนการในวิถีจิตบ้างใช่ไหมกระบวนการของกรรมบ้างนี่โอ้โหนี่มันจะทําหน้าที่มันดูว่าจะได้ไปดูกระบวนการการทําหน้าที่ของชีวิตชีวิตมันเป็นมันอย่างนี้แหละ๋ย่มันเป็นไตรลักษณ์ยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังไงเป็นปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการการเกิดขึ้นสืบต่อต่อเนื่องเป็นไปอย่างไรและกระบวนการของกรรม ที่เป็นกายกรรมวิจีกรรมวโนกรรมอย่างไรเนี่ยโอ้โหนี่กระบวนการเหล่านั้นนั่นเป็นการเรียนเรื่องวชีวิตเป็นอย่างไรตอนนี้เราเรียนเรื่องชีวิตคืออะไรใช่ไห <S 1> <S 1> <S น่าศึกษาไหมมันไม่รู้จากตัวเองก็ลําบากใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่กลักษณะอย่างนี้แหละทีนี้ พอในพูดถึงในเรื่องของหลักปฏิเจนตนวาทก็หมายถึงสังขารจึงมีรูปร่างนีแบบปฏิบัติการก็คือจําแนกออกมาเป็นกายะสังขารการปรุงแต่งแสดงเกดจกจํานงทางกายเนี่ยเป็นกายะสังขารหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการการะทําทางกายเป็นกายกรรมที่มีการขยับเคยืย้อนเคลื่อนไหวทั้งหลายก็มีเจต น, นาเจตนาพอกระตุ้นเตือนแล้วมี มีเจล็ดจำงมีความจงใจในการที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจะหลับจะตื่นจะกินดื่มเคี้ยวลิ้มทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นกายสัสขันหมดเลยโอ้โหรายลายะเอียดเก้าวไปถอยขับคูเข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวเนี่ยการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายเจระปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับทั้งหลา ย, ลยนยีเป็นกายสังขานส่วน วจีสังขารกระปงแต่งเจตจำนงทางวาจาหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระทําทางวาจาโอ้นี่พูดเนะีจะพูดจริงพูดเท็จเนี่ยพูดส่อเสียดหรือพูดให้สมัครสมานสามคัคคีใช่ไหมจะพูดคําหยาบหรือพูดอ่อนหวานจะพูดเพื่อเจอ้อหรือพูดมีสาระเนี่ยอันนี้เป็นวจีกรรมทั้งหมดเลยอันนี้เป็นใครมาปรุงแต่งเนี่ยเจตนานะ เจตนาเ ป, ป็นปรุงแต่งกลุ่มนามมาทำทั้งหลายให้มีการขยับเขยืมเคลื่อนวาจาในการเปล่งในการกล่าวในการพูดมองเห็นอย่างส่วนจิตสังขารก็ปรุงแต่งเจตจำนงทางใจหรือเจตนาที่ปรุงแต่งการกระ ท, ทําทางใจเลยอันนี้โอ้โหบ่อยปรุงตลอดไหมตอนนี้ตลอดเลยใช่ไหมบางทีก็มีความคิดอ่านทั้งหลายเนี่ยคิดอดีตบ้าง คิดอนาคตบ้างคิดในเรื่องปัจจุบันบ้างคิดในเรื่องรูปบ้างในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ในธรรมารมณ์คิดภายในภายนอกคิดเรื่องอยากเรื่องละเอียดคิดเรื่องเลวปราณียกลายใกล้อะไรก็แล้วเยอะแยะหมดเลยคิดทั้งบัญญัติปรามาัดคิดวุ่นวายก็ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นจิตสัง ข, ขารเป็นจิตสัง ข, ขารการปรุงแต่งทางจิตเลยโดยเนี้ยนะเป็นเจตจำนงทางใจเจตนาที่ปรุงแต่งทางการกระทําทางใจเลยเนี่ย ถ้อธิบายในลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่อธิบายในเรื่องของขันห้าเฉพาะแล้วอันนี้เป็นกระบวนการที่มันทํางานแล้กระบวนการที่มันเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ไอตรงนี้ชีวิตมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างเนี้ยหยุ ด, ม ไ, ด ไ, มไม่ได้ไหมไม่ได้นิพพานเท่านั้นถึงจะหยุดได้หยุดการเดินของสังขารเหล่านี้ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันพุ่ง่านอยู่อย่างเนี้นั่นถึงนิพพานเมื่อไหร่ในสังขารเหล่านี้หยุดตัวทันทีพอกิเลสนิพพานปุ๊บ สังขารฝ่ายชั่วหมดเลยเหลือแต่ฝ่ายดีเขาจึงไม่เรียกว่าสังขารเนะเหลือแต่ฝ่ายดีหมดเลยแต่เนี้อ่าถ้าหากว่ากระแสชีวิตไปถึงจุดหมายปลายทางที่หมดนะไม่สามารถจะเดินไปต่อได้ปุ๊บขันนิพพานปุ๊บหยุดเลยเขาเรียกระงับดับสังขารหมดเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นปรมาทุขเลยเป็นนิพพานเลยโอ้โห ถ้าถึงตรงนั้นเมื่อไรเราจะสุขใจสบายใจไมเน่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยกระบวนการอย่างเงี้ยทาเป็นเครื่องปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งฝ่ายดีกับพวกเนี่ศรัทธาสติเมตตากรุณาปัญญาปรุงแต่งฝ่ายไม่ดีกับโลภะโทสะโมหะหรือถ้าปรุงแต่งฝ่ายกลางๆ ก, ก็เจตนาสมาธิเป็นต้นเหล่าเนี้เปรียบเทียบกับเรื่องในที่นี้ก็เปรียบเปรียบกับรถนั่นแหละอธิบายแนวขันห้าเหมือนกับรถ ที่ตั้งแสดงให้ดูส่วนประกอบต่างๆอยู่กับที่ถ้าแนวในการอธิบายปฏิจจุบาทนะก็เหมือนอธิบายเรื่องรถที่เดินเครื่องออกแล่นได้ใช้งานได้จริงๆก็เลยต่างกันอย่างนี้แหละถ้าพูดถึงเรื่องขันห้าปุ๊บก็เหมือนรถอยู่กับที่เราไปแยกชิ้นส่วนให้ดูเลยปุ๊บปุ๊ บ, บมีอะไรบ้างถ้าแสดงตามแนวของกรรมตามแนวของปฏิจจุบาทปุ๊บเหมือนรถออกวิง่ง เออเนี่ยขันห้าก็เป็นลักษณะแบเนี้รถจอดกับที่หรือรถวิ่งถ้าแสดงในชีวิตจริงๆรถมันจอดอยู่กับที่หรือวิ่งมันวิ่งตลอดไหมเออมันเคยหยุดไหมเนี่ยขันห้าเคยหยุดไหมแม้หลับขันห้ายังเดินต่อไหมขันห้าจะไปหยุดตัวเมื่อไหร่ฮะที่ไหนขันห้าหยุดตัวไม่ยอมไม่เดินต่อที่ไหน หยุดที่ไหนหยุดยุดแล้วไม่ต่อเลยที่ไหนเนี่บริณีาพานนอนอยู่ขันหน้าเกิดดับไหมเกิดแล้วเรารู้ไหมเกิด <c oughs> ดับหลับหลับสนิทเลยตอนนั้นเนี่ยรูปประขันเกิดดับอยู่ไหมเกิดไหมแล้วนามนามรขันเวทนาขันเนกะิดไหม เวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิตนามะมทำหยุดไหมเวลาหลับมันหยุดไหมหยุดตัวไหมไ ม, หมันเดินยังไงมันเดินยังไงนันเป็นอะไรตอนนั้นนะถลับสนิทเขาเรียกอะไรไเป็นปวังในปรวังมีมีเวทนาขันไหมมีไม่มีสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขัน เห็นไหมรูปธรปรมนามธรรมมันก็ยังเกิดดับสืบต่ออยู่ไม่เคยหยุดเลยไม่เคยได้พักเลยันใครปรินิพานได้เมื่อไหร่ปุ๊บเขาไม่ต้องมีการเกิดดับสืบต่อการนิพานมันจึงสุดยอดที่สุดเป็นบรมธรรมที่ไม่ต้องมาเดือดร้อนอีกต่อไปใช่ไหมพอพูดอย่างนี้มันอยากนิพานไหมเนี่ยได้าอยากไม่รู้วิธีการ ใช่ไหมงั้นบรรดาเครื่องปรุงแต่งเนี่ยเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายเนี่ยเจตนาจึงเป็นตัวการสําคัญเลยไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทําหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่ด้วยเป็นแกนนําเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คําว่าเจตนาเป็นตัวแทนสังขารทั้งหมดเลยเนยีใช้อย่างนั้นเลยสังขาร ก็คือเจตนาพร้อมทั้งสัมยุต ธ, ธรรมธรรมที่เกิดร่วมกันหรือเครื่องประกอบทั้งหมดเหล่านี้แหละซึ่งแต่งจิตให้ดีแต่งจิตให้ชั่วหรือให้เป็นกลางๆงเนี่ยพรุงแต่งการตรีตรานกรองการคิดการพูดการทำให้เกิดทั้งกรรมทางกายทางวาจาทางใจเป็นต้นบางครั้งท่านก็ใช้คำว่าเจตนาคำเดียวเป็นคาแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดนี่ก็คือการแสดงความหมาย ทำนองจำกัดคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดจำกัดความในะคำว่ากรรมด้วยเช่นคำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากันเปรียบว่าเนี่ยถ้ามองในลักษณะอย่างงี้นะในที่ประชุมถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่า ถ้าความสําคัญในลักษณะอย่างนี้แล้วเนะี่ยเจตนาจึงเป็นตัวตัวแสดงเนะีเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารทําให้สังขารละขันต่างจากขันอื่นๆเจตนาก็แปลว่าการจํานงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างระหว่างสังขารละขันกับนามะขันอื่นๆก็คือนามะขันอื่นๆเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันนะทํางานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้ว สังเกตดูนะเวทนาสัญญาและวิญญาณอันนี้เป็นตัวโดยส่วนใหญ่ัรงนี้ก็เป็นตัวเป็นตัววิบากนะโด ว, วิบากเขาจะทํางานเพราะาอารมณ์เข้ามาปรากฏปุ๊บเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดําเนินไปได้และเป็นถ้ามองถึงเป็นฝ่ายรับแต่สังขารเนี่ยมีการรีเริ่มได้ด้วยจํานงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทาต่ออารมณ์ด้วย ตัวสังขารตัวเจตนาเนี่ยมันดีอารมณ์นั้นไม่ต้องมามันปุ่งเข้าหาอารมณ์มันจะปงแต่งอารมณ์นั้นใช่ไหมใหลายๆเรื่องอ่ะไม่ต้องรอให้ลมวิ่งเข้ามานะถ้าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเนี่ยมันจะทํากิตในคลอเคลียร์ไปกับลมวิญญาณก็รู้อารมณ์ไปในขณะเรียอารมณ์แต่ถ้าตัวเจตนานี่มันตัวจงใจตั้งใจกระตุ้นเตือนให้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบแล้วก็เป็นตัวที่ในกรณีาการที่จะ อ, อ โลดแล่นไปข้างหน้าได้หรือท้อถอยหดอะไรกันเนี้ยรายละเอียดมันเยอะหมดเลยตรงนี้เลยเมื่อถ้าเข้าใจหลักการนี้ก็จะมองเห็นเหตุผลว่าทําไมความสบายไม่สบายจัดเป็นเวทนาแต่ความชอบใจไม่ชอบใจซึ่งเกิดถัดจากสบายและไม่สบายก็จัดเข้าในสังขารทําไมสัญญากับสติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความจําด้วยกันแต่กับแยกกันอยู่คนละขันสติอยู่ในสังขารขันส่วนสัญญาอยู่ไหน สัญญาอยู่ในขันไหนสัญญาขันปัญญาก็เป็นเรื่องของความรู้เช่นเดียวกับสัญญาและวิญญาณจึงแยกไปอยู่ในสังหาระขันเออปัญญาความรู้มีสัญญาสติคือความจำนี่นะเออมีมักมีความเข้าใจสับสนกันในเรื่องของ อ, อความหมายของธรรมะนี้คำว่าสัญญาก็แปลกันว่าความจำสติโดยทั่วไป แปลว่าการระลึกได้ระลึกได้กับจํา ม, มีต่างกันเนี่ยบางครั้งก็แปลว่าความจำด้วยมีตัวอย่างที่เด่นอย่างพระอนุนเนี่ยท่านได้รับยกย่องเอเตัทธัคคะในทางพวทโพ์จําพุทโพ์ได้เยอะท่านใช้คําว่าสติอานุน์เป็นเลิศกว่าบรรดาสาวกผู้มีสติเรื่องเนี้ไงตางตังมากไม่ได้มีความสับสน นั้นความจําไม่ใช่กิจของธรรมะข้อเดียวแต่เป็นกิจของกระบวนการธรรมะและกระบวนการแห่งความจำเนี่ยสัญญาและสติเป็นองค์ธรรมใหญ่ทําหน้าที่เป็นหลักมีบทบาทสําคัญนะสัญญาก็ดีสติก็ดีมีความหมายคาบเกี่ยวกันแล้วก็เหลื่อมล้ํากันกับความจําด้วยกล่าวคือส่วนหนึ่งของสัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของความจําและอีกส่วนหนึ่งของสัญญาก็อยู่นอกเหนือจากความจํา แม้สติกาเช่นเดียวกันส่วน1ของสติเป็นส่วน1งของการจำและอีกส่วน1ของสติอยู่เนื่องนอกเหนือจากความจำเป็นต้นด้วยนี่เอาแยกแยกเนี่ยอาสัญญาเนี่ยและสติทาหน้าที่คนละอย่างในกระบวนการแห่งการจำยกตัวอย่างนีง้ถ้าการกำหนดหมายหรือหมายรู้อารมณ์อันนั้นไว้เมื่อประสบกับอารมณ์อีก ก็เอาข้อที่กำหนดไว้นั้นนะ่ะมาจับมาเทียบมาหมายรู้ว่าตรงนั้นเหมือนกันหรือไม่ถ้าหมายรู้ว่าตรงกันก็เรียกว่าจำได้ถ้ามีข้อต่างกันก็หมายความรู้นั้นเพิ่มเข้ามาการกำหนดหมายการจำหรือความรู้ความรู้อารมณ์ไว้ว่าเป็นนั้นเป็นนี่เป็นต้นใช้นั้นใช้นี่เป็นต้นในการเทียบเคียงและการเก็บข้อมูลก็ดี สิ่งที่กำหนดหมายเอาไว้เนี่ยตัวข้อมูลที่สร้างและเก็บเอาไว้นั้นก็ดีเนี่ยเรียกกันว่าสัญญาสัญญาเป็นตัวเก็บทำว่าเก็บข้อมูลเราไปเห็นอะไรต่างๆ่างเานี้มันก็เก็บข้อมูลไว้เก็บเก็บเเก็บไว้เหมือนเก็บว้สูดีบใส่ตู้เย็นไว้อันนี้เป็นเหมือนสัญญาตรงกับความจําในแง่ที่เป็นการสร้างปัจจัยแห่งความจําลักษณะสําคัญของสัญญาคือทํางานกับอารมณ์ที่มาปรากฏ ตัวอยู่แล้วก็กล่าวคือว่าเมื่ออารมณ์ปรากฏตัวต่อหน้าปุ๊บก็จึงกําหนดได้หมายรู้หรือจําอารมณ์นั้นไว้ได้ใช่ไหมสัญญามันจะกํากับอยู่กับอารมณ์นั้นกําหนดหมายอารมณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าโดยส่วนใหญ่อยเป็นเงี้ยก็แปลว่ามันเก็บอารมณ์อยู่ไหมเราเป็นคนมีความจําสัญญาเราใช้สัญญาเยอะไหมแต่ละวันแต่ละวันถ้าเป็นคนไปน มีเจ็ดจำนงไม่อยากจำอะไรมันจะเป็นคนไม่จำไปตั้งไว้อย่างนั้นถ้าไปตั้งไว้อย่างนั้นจะเป็นคนความจำไม่ดีเพราะเป็นคนที่ไม่ใช้สัญญาแต่ถ้าเป็นคนมีความรู้สึกว่าเราจะต้องจำมันจะกลายเป็นคนที่ต้องไม่ใส่ใจนั้นบ่อยๆก็กลายเป็นคนมีความจำดีทีนี้สเตก็มีหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตมีหลายอย่างนะดึงอารมณ์มาสู่จิตก็ได้อารมณ์ที่ไม่ ดึงดึงดึงเข้ามาหรือเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตคุมหรือกํากับจิตไว้กับอารมณ์ก็ได้เข้าใจคําว่าเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตไหมเข้าใจคํานี้ไหมเหนี่ยวอารมณ์ไว้กับจิตอ่ะทายังไงคขาไม่เหนี่ยวลามไว้กับจิตอารมณ์นี้จะหลุดหายไปแล้วก็ดึงดึงอารมณ์ไว้ให oriented, ้มาอยู่กับจิตคุมหรือกํากับจิตไว้กับอารมณ์ได้ไหมจิตมันจะไปคิดเรื่องอื่นกํากับจิตว่าให้คิดเรื่องเนี้ยอันนี้หน้าที่ของใคร อสติอย่างในขณะที่เรากําลังจะฟังเนี่ยกําลังจะฟังเนี่ยตอนนี้เราใช้สติกํากับจิตของเราให้อยู่กับเสียงที่ฟังไหมกํากับอยู่ไหมบอมกํากับไหมถ้ากํากับอย่างนี้เขาเรียกอะไรสติทําหน้าที่อยู่ตรึงเอาไว้ไม่ยอมให้ลอยผ่านหรือขาดไปตรึงไว้เลยไม่ให้ผ่านลอยอารมณ์นี้ไม่ไม่ผ่านไป เป็นการดึงมาซึ่งอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือดึงไว้ซึ่งอารมณ์ที่จะผ่านไปก็ได้ดึงมาดึงไปเนี่ยสติจึงมีขอบเขตความควบคุมถึงการระลึกการระลึกการนึกถึงนึกไว้นึกได้ระลึกได้ไม่เผลอมันตรงกับความจําได้เฉพาะในส่วนที่เป็นการระลึกและความสามารถในการระลึกนี่ความจําอยู่ในส่วนนี้ด้วยเหตุนี้สติจึงเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับสัมโมสะ ซึ่งแปลว่าการลืมการลืมสัญญาไม่ได้คู่กการลืมนะสัญญาไม่ได้คูดการลืมสติเป็นการลิเริ่มเองจากภายในโดยอาศัยพลังแห่งความแห่งเจตจำนงนะสติที่จะระลึกได้เนี่ยต้องมีความตั้งใจจงใจตั้งใจที่จะระลึก ตั้งใจใจนการที่จะดึงอารมณ์นั้นไว้ตั้งใจที่จะกํากับจิตให้อยู่กับอารมณ์ตั้งใจที่จะตรึงจิตไว้กับอารมณ์นั้นไม่ไม่เพ้อเลื่นี่นะเนี่ ย, นะ เ, ยเป็นมาจากเกียร์จำงจัดอยู่ในพวกสังขารในเมื่ออารมณ์อาจจะไม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นฝ่ายจํานงต่ออารมณ์ก็จัดอยู่ในกลุ่มสังขารเป็นด้วยโดยอาศัยพลังแห่ง เ, เจตนานี่แหละบางทีอารมณ์นั้นไม่ปรากฏต่อหน้าหรอกแต่เจตนากระตุน้นเตือน ไประลึกกลับดึงกลับมาได้เช่นไประลึกเรื่องราวในอดีตจะดึงมาดึงมาก็ได้ดึงในอนาคตก็ได้ตอนนี้ท่านเลยยกตัวอย่างนายแดงกับนายดำเคยรู้จักกันดีแล้วก็แยกแยกออกจากกันไปต่อมาอีกสิบปีนายแดงพบนายดำอีกทีปุ๊บจำได้ว่าผู้ที่เราพบนั่นเป็นนายดำเนี่ยแล้วก็ระลึกต่อไปได้อีกว่าตนเองกับนายดไปเที่ยวที่นั้นที่นี่กันเงี้ยเคยไปทาอะไรกันบ้าง เออไอการจำที่พบครั้งแรกนะ่ะเป็นสัญญาการนึกต่อไปว่าเออเราเคยไปทำอะไรซึ่งกนและกันได้นั่นะเป็นสติสัญญากับสติมันเกิดขึ้นรักจำแบบนี้พอจะมองเห็นไหมสติมันจะมีความกว้างขวางกว่าสัญญานึกไม่ออก อืมสัญญาก็เป็นสัญญาขัน่เมืญญ่อไรตรงนี้ในที่นี้ก็ยกอีกเรื่องหนึ่งดีนะเออท่านยกได้ดีเปิดสมุดโทรศัพท์เปิดเปิดปุ๊บนี่อ๋อหมายเลขอะไรพอจะจำได้ปุ๊บจำหมายเลขแล้ว แล้วก็เดินไปที่จะไปไปที่โทรศัพท์ในขณะที่เดินไปแล้วก็ทวนไปเรื่อยทวนความจําอยู่ในใจว่าความจําอะไรเลยไอ้จำครั้งแรกเนี่ยเป็นสัญญาไอ้การระลึกทวนเดินไปนี่เป็นเออเป็นสติ <c oughs> สติมันต้องระลึก <c oughs> บ่อยๆนั้นคนที่ไม่ค่อยระลึกบ่อยๆเนี่ยจําไม่ค่อยดีใช <c oughs> ่ไ <c oughs> ปล่อยสัญญาจำครั้งเดียวแล้วไม่ระลึกบ่อยๆจําได้ไหม <c oughs> ได้ไหมนะ สามารถจาครั้งเดียวเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องระลึกบ่อยๆทั้งนั้นนึงคนบางคนไม่ค่อยระลึกใช่ไหมไม่ก็ใช้สติอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็เป็นเรื่องของสัญญาวิญญาและกปัญญาอีกเคยบรรยายไปแล้วเนี่ในสตัวเนียเดี๋ยวบรรยายอีกครั้งนะสัญญาวิญญาและปัญญาเนี่ยสอย่างนี้โดยมากอกาัจฉริยท่านเคยยกอธิบายว่าปัญญาก็แปลว่าความรอบรู้เติมเข้าไปคาว่ารู้ทั่วโดยความรู้ทั่วความรู้ชัด คือรู้ทั่วถึงความจริงแล้วก็รู้ตรงต่อความเป็นจริงแต่อธิบายออกไปก็คือเช่นรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าควรหรือไม่ควรรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้เท่าทันสังขารรู้องค์ประกอบรู้เหตุปัจจัยรู้ที่ไปที่มารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงรู้อย่างท่องแท้เข้าใจอย่างท่องแท้รู้เข้าใจสภาวะรู้คิด รู้พิจารณารู้วินิจฉัยรู้ที่จะจัดแจงจัดการและดำเนินการอย่างไรโอ้รู้เยอะไหมเนี่ยปัญญานี่แปลกันง่า ย, ายๆพื้นๆปัญญาแปลความเข้าใจเข้าใจถูกหรือผิดต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกเข้าใจชัดแล้วก็เข้าใจอย่างทองแท้สามารถที่จะมองอะไรแบบทะลุสภาวะและมองทะลุปัญหาปัญญาจะช่วยเสริมสัญญาด้วยช่วยเสริมสัญญาด้วย แล้วก็ช่วยขยายขอบเขตของวิญญาณให้กว้างขวางออกไปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นส่องทางให้สัญญามีสิ่งกำหนดหมายรวบเก็บไว้ได้มากขึ้นนั้นถ้าเข้าใจเพียงใดหรือถ้าเกิดความเข้าใจความรอบรู้รับรู้และกำหนดหมายในวิสัยแห่งความเข้าใจเพียงนั้นเหมือนคิดโจทย์เลขคณิตข้อหนึ่งเมื่อยังคิดไม่ออก ก็ไม่มีอะไรให้รับรู้หรือกําหนดหมายต่อไปได้ต่อเมื่อเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้วก็มีเรื่องให้รับรู้และกําหนดหมายต่อไปอีกนั้นปัญญามันจึงตรงข้ามกับโมหะซึ่งแปลกับความหลงแปลกันนี้ความไม่รู้ความไม่ความเข้าใจผิดส่วนสัญญาและวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับโมหะไม่ได้ตรงกันข้ามกับโมหะมันกลายเป็นเหยื่อของโมหะไปด้วยซ้ำเพราะเมื่อหลงเข้าใจผิดปุ๊บ เมื่อใดก็รับรู้หรือกาหนดหมายเอาไว้ผิดอย่างนั้นแหละนั้นปัญญามันช่วยแก้ไขให้วิญญาณและสัญญานเนี่ยดเนินเดินทางได้ถูกต้องปัญญาสำคัญหมสคัญ <c oughs> เออตรงนี้ปัญญามันจึงกลายเป็นความความเข้าใจต้องเข้าใจถูกเข้าใจชัดด้วยเข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยพอปัญญาเกิดขึ้นมันมองอะไรแบบทะลุทะลวงทะลุ ป, ปัญหาได้ ทะลุได้ด้วยปัญญามันช่วยเสริมเสริมให้สัญญาและวิญญาณเนี่ยขยายขอบเขตของวิญญาณและสัญญาให้กว้างให้ลึกซึ้งแต่มันส่องทางให้สัญญาเนี่ยสามารถกาหนดหมายอะไรได้กว้างขวางได้มากขึ้นน้วยปัญญามันช่วย αι, ช่วยได้ด้วยพอเข้าใจคิดแก้ปัญหาได้แล้วมันก็ มีเรื่องให้รับรู้และกำหนดหมายต่อไปอีกปัญญาณตรงข้ามกับโมหะนั้นความหลงความไม่รู้ความก็รู้ผิดไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นทําให้สัญญาทําให้วิญญาณในหลงทางโมหะเนี่ยนะสัญญาและวิญญาณนะ่าใสอารมณ์ที่ปรากฏอยู่จึงทํางานได้สร้างภาพเห็นภาพขึ้นมาจากอารมณ์นั้นแหละแต่ปัญญาเนี่ยเป็นฝ่ายจํานงต่ออารมณ์นะปัญญาเนี่ย เป็นการริเริ่มกระทาต่ออารมเพราะอยู่ในหมวดของสังขารแล้วมันเชื่อมโยงอารมณ์นั้นไว้กับอารมณ์นั้นเนี่ยกับอารมณ์โน้นบ้างเนี่ยวิเคราะห์ด้วยพิเคราะห์ส่วนนั้นกับส่วนนั้นส่วนโน้นกับอารมณ์เนี่ยเอาสัญญาอย่างโน้อนอย่างนี้มาเชื่อมโยงกันวิเคราะห์ออกไปเนี่ยมองเหตุมองผลเห็นเหตุเห็นผลด้วยเห็นความสัมพันธ์ตลอดถึงว่าจะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรหาเรื่องมาให้วิญญาณและสัญญารับรู้และกําหนดหมายเอาไว้ด้วย ตรงเนี้ยพระสารีบุตรเคยบอกไว้ว่าเคยตอบเกี่ยวกับเรื่องความต่างกระหว่างวิญญาณกับปัญญาบอกว่าปัญญาเนี่ยรู้รู้อะไรรู้ชัดแล้วก็เข้าใจเข้าใจอะไรรู้ชัดด้วยรู้ทั่วด้วยรู้ประการต่างๆด้วยเข้าใจว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ทางให้ถึงความดับทุกส่วนวิญญาณเนี่ยรู้รู้แยกแตก ต่างว่ารู้ว่านี่เป็นสุขรู้นี่เป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่ปัญญาและวิญญาณนั้นก็เป็นองค์ธรรมที่คะเข้ากันไม่อาจจะแยกออกกับบัญญัติข้อแตกต่างกันได้ถึงกันนั้นในะความต่างกันก็มีอยู่ในแง่ที่ปัญญาในเป็นพาเวตาประธรรมก็เป็นธรรมะที่ควรจริญคือทําให้มันเพิ่มขึ้นพูนขึ้นได้ส่วนวิญญาณเป็นปริญญาธรรมนะเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้หรือต้องรู้จักมันให้เข้าใจรู้เท่าทันสภาวะลักษณะ ของมันตามที่มันเป็นด้วยมันต่างกันอย่างนี้วิญญาณไม่ใช่ธรรมะที่ควรเจริญแต่ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรเจริญภาเวตประรธรรมธรรมะที่ควรเจริญญเป็นสังขารละขันธ์เป็นธรรมะที่ไม่ วิญญาณเนี่ยก็เป็นเป็นวิญญาณขันคนละอยา่างสัญญาขันก็เป็นคนละอยา่างส่วนปัญญาอยู่ในกลุ่มสังขารลขันคนละส่วนกันแต่เขาทำงานร่วมกันเกิดร่วมกัน อ, อยู่ในสังขารละขันเป็ <c oughs> น, นบอมสบายเลยรู้เลยใช่ไหมสติอยู่ในโทสะอะโทสะ ทำไมเขาตอบได้หมดเพราะเขาได้ท่องไว้ท่องไว้แล้วเป็นสังขารอย่างไรไม่เคยมาวิเคราะห์ใช่ไหมได้เคยวิเคราะห์การทำงานของเขาไหมมันนั่ง ค, คิดนั่งตรึกนั่งตองไหมที่เรานั่งไปแล้วก็กดตรงนี้ไปมันเกิดจากอะไระที่จริงมันเมื่อยอยู่ครั้งเดียวต่อมามันก็จมเพรามันต้องเมื่อย เพราจำแล้วมันก็ใหญ่เลยทีลองไม่ลองไม่จำมันดิว่ามันเคยเมื่อยมันก็ไม่เปลี่ยนแลแต่ว่าสัญญาไปจำว่ามันเมื่อยมันจะหายได้โดยการบีบโอ้บีบใหญ่เลยดีมีอยู่ตลอดเลยเอยมันสร้างอะไรได้ทุกเรื่องเลยนะเอลองมันสร้างให้แล้วมันให้ทําแบบเดิมๆ ด, ด้วยเช่นให้เข้าห้องน้ําเวลาไหนแล้วมันจะล็อกความรู้สึกว่าถ้าเวลาอื่นถ่ายออก โอ้น่าเกียดตรงนี้เฮ้ยเลยเวลาซะแล้วถ่ายไม่ออกว่างั้นนลยใช่ไหมหน่าเกียดไหมมันทําไมต้องล็อกขนาดนั้นจริงไม่จริงไม่เป็นเลยบางคนเป็นนะเป็นไหมบางคนโอ้บางคนเริ่มเป็นแเลยเวลานอนแล้วนอนไม่หลับเคยเป็นไหมเคยไหมโหลังไปบ่อยตืิดเลยเลยเวลานอนเลยนอนไม่หลับเคยเป็นแบบนี้ไหมแน่ไหนไหมเ น, นี่มันล็อกอะไรสัญญาล็อกไว้เรียบร้อยย แล้วคอบอกตัวเองตลอดเวลา อ, อุ้ยเฮ้ยที่จะเลยเวลานอนเอ๊ะจริงๆมันคนนอนได้ทุกเวลาไหมาจริงจริงถ้าจะนอนใช่ไหมจะนอนจะพักถ้ามันสามารถแยกแยะสภาวัฏธรรมเหล่านี้ได้นะมันจะไม่มีอิทธิพลอะไรใดๆหรอกใช่ไหมแล้วสรุปแล้วเราจะอยู่ด้วยปัญญาหรืออยู่ด้วยความเห็นเออแต่อยู่ด้วยความเห็นเนี่ยโหยุ่งเลยนะมันเห็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วทุกวันนี้เราดําเนินชีวิตเราอยู่ด้วยความเห็นหรืออยู่ด้วยปัญญาบอม ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาหรือด้วยความเห็นอะไรมากกว่ากันอะไรมากกว่ากันแยกให้ดีนะอะไรยากกว่าอ ะ, อะไรมากกว่ากันความเห็นบางทีมันอ่านอะไรแล้วเข้าใจปุบ๊บความเห็นก็ไปยึดก็เป็นของเราอยู่ด้วยตรงนั้นมันไม่พัฒนาต่อเนี่ยตรงเนี้ย เมื่อเราพัฒนาสิ่งนี้ได้ปุ๊บมันก็อยู่เพียงแค่นี้ยมันไมีคนคิดลิเริ่มต่อแท้จริงมันจะต้องต่อได้อีกอีกแล้วดีกว่านี้ด้วยแต่มันคิดว่ามันคงไม่บางคนคิดแลามันตันเลยนะเน่มันได้แค่เนี้ยมันไม่พัฒนาต่อใช่ไหมก็เลยเห็นว่าทําได้แค่นี้งั้นคนบางคนมันจึงไม่ริเริ่มอะไรเลยทั้งๆที่ของทุกอย่างมันสามารถจะต่อยอดริเริ่มได้หมดแต่มนุษย์เนี่ยมันติดตันทางด้านความรู้ความเข้าใจนี่เลยมันไปเห็นปุ๊บโอ้ไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้ว ถ้าคนมนุษย์คิดอย่างนี้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ใช่มันุก็มองมันจะต้องต่อให้มันดูแล้วมันก็ดีแล้วเนี่ยแต่เชื่อไหมอีกไม่นานมันจะมีคนทําได้ดีกว่านี้ีใช่ไม่ใช่เนี่ยเหมือนงี้กันโอ้โหเอาไม้มาพูดอย่างเนี้มันก็ดูดีนะเนี่ยแต่เมื่อยนะจะทํำยังไงที่มันจะไมมนุษย์มันต้องมีวิธีมากกว่านั้นนะ เราก็วิธีบางคนถึงขนาดเอามีตัวเล็กๆมาเสียบตรงนี้แล้วในอนาคตมันไม่ต้องเสียบเลยก็ได้ทั้งมันน่าจะมาปะแปะอะไรเพราะเพิ่ไม่ต้องไปใช้สายเลยเนี่ยนะแล้วมันให้มีคุณภาพดีๆของการใช้สายก็ได้อะไรเงี้ยเออเนี่ยออมันไอ้มันแค่มันหยุดเพียงแค่นี้มันก็มันก็ไม่พัฒนาต่อเราก็เป็นเพียงแค่ผู้เสพ <c oughs> ใช่ไหมมันก็ไม่คิดไม่พิจารณาอะไรต่อก็ไปเป็นเรื่องเลย มีความแตกต่างกันเป็นอย่างนี้ต่อไปในคัมภีรุ่นอัตถกถาในวิสุติมารเป็นต้นเนีนะท่านอธิบายความต่างกันระหว่างสัญญาวิญญาและกัปัญญาไว้ท่านก็บอกสัญญาเนี่ยเป็นเพียงความรู้จักอารมณ์ว่าเขียวเหลืองขาวแดงเป็ตนต้นคือรู้อาการของอารมณ์ไม่อาจจะให้ถึงความเข้าใจถึงลักษณะที่แท้จริงของอารมณ์นั้นๆันได้เช่น ไม่สามารถจะคเข้าใจถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยสัญญาไม่สามารถจะเข้าไปรู้ไตรลักษณ์ได้เออรู้เพียงลักษณะ ส, ส่วนสรงและจําสีจําอะไรได้ทนั้นส่วนวิญญาณเนี่ยนอกจากจะรู้เขียวรู้เหลืองรู้ขาวรู้แดงเป็นต้นอะไแล้วยังทําให้ถึงความเข้าใจลักษณะเข้าใจไงลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาได้ด้วยอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าวิญญาณเนี่ยเขาเข้าใจตามปัญญาบอก หือปัญญาสามารถจะบอกได้ด้วยนะบอกให้วิญญาณก็ไปเข้าใจรู้จนถึงความไม่เที่ยงปเป็นทุกข์เป็นหนตาได้ด้วยแต่ไม่อาจส่งให้ถึงความปรากฏแห่งมรรคคือการตัดสู้เรียสัต ส, สีไม่ได้แปลว่าอะไรเนี่ยวิญญาณไม่สามารถมีวัฒนาการไปจนถึงตัดสูร้อริยมรรคได้ทำมรรให้เกิดขึ้นได้ส่วนปัญญารู้อารมณ์ ทั้งให้ถึงความเข้าใจลักษณะและทั้งส่งให้ถึงความปรากฏขึ้นของมัจคือการแทงตลอดอริยสัจสีได้หมดปัญญาเข้าใจหมดเลยเออสัญถ้ามองไปแล้วเนี่ยสัญญาวิญญาณแล้วก็ปัญญาเนี่ยสัญญาแย่กว่าเขาเลยใช่ไหมการรู้แบบสัญญารู้เพียงแค่เขียวแดงขาวเนี่ยรูปร่างสันฐานแค่นั้นเองเนี่ยรู้รู้แค่นี้ยแต่ถ้าจะพัฒนาต่อไปจนถึงไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายังไงหัวไปไม่ถึง สัญวิญญาณเนี่ยสามารถที่จะรู้เขียวขาวแดงตามตามสัญญาบอกได้ด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถพัฒนาไปถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามารถเข้าไปรู้ตรงนี้ได้ตามที่ปัญญาบอกได้แต่จะส่งต่อไปถึงให้รู้มรรครู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงปัญญาทำไม่ถึงทั้งหมดเหนั้นส่วนปัญญานี่ทําได้ทั้ง3อย่างเลย นะร่วมกับสัญญาไปจำสิ่งต่างๆเหล่ า, านั้นขยายสัญญารอบรู้อะไรมากขึ้นได้ยังขยายวิญญาณให้เขาไปรู้ไตรลักษณ์ได้ด้วยตัวเองก็รู้ไตรลักษณ์ด้วยมากไปกว่า น, นั้นตนเองสามารถกําจัดกิเลสกองทุกทําอริยามากให้เกิดขึ้นได้ด้วยเพราะเป็นหนึ่งในองค์มรรคปัญญานี่สุดยอดจริงๆก็เลยอุปมาเลยในอัจฉริยะท่านก็อุปมาว่าเหมือนคนสามคนมองดูเหรียญกระสาบสัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนเด็ก ยังไม่เดียงสามองดูเหรียญแล้วก็รู้รู้แต่รูปร่างยาวบางสั้นเหลี่ยมกลมสีลวดลายแปลกๆสวยงามของเหรียญ น, นั้นไม่รู้ว่าเป็นของที่เขาตกลงกันใช้เป็นสื่อสารแลกเปลี่ยนซื้อขายไม่สามารถที่เขาไปรู้ได้สัญญามันเด็กมันเด็กไรเดียงสาแต่รู้สีรู้อะไรเลยวิญญาณเนี่ยเหมือนกับชาวบ้านเห็นเหรียญก็รู้ลวดลายของเหรียญด้วยนะ รู้สีรู้อะไรด้วยและสามารถเอาไปใช้ในการสื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แต่ไม่รู้ซึ้งไปว่าไอเหรียญแท้เนี่ยอันนี้เหรียญแท้นี่เหรียญปลอมนี่ผสมโลหะเท่าไหร่ผสมดีบุกเท่าไหร่ตะกั่วเท่าไหร่ไม่สามารถไปรู้ในเนื้อใ น, นของนั้นได้ส่วนปัญญาเนี่ยเหมือนกระหรัยนยิกรู้ทุกสิ่งทุกแง่ที่กล่าวมาแล้วและยังชำนาญจนขนาดมองก็รู้เพียงเคาะยังรู้เลยว่าคิมดูก็รู้ช่างดูก็รู้ว่าเหรียญเนี่ย มันเปลามีเงินเท่าไหร่มีตะกัวเท่าไหร่มีทองแดงเท่าไหร่รู้ันปัญญาเหมือนเหี น, นยแล้วเยอะเลย <c oughs> ฮะฉะนั้นพอมองอย่างนี้ปัญญาเนี่ยั้นปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเสมอบางทีมีแต่สัญญาและวิญญาณไม่มีปัญญาแต่บางคราวมีปัญญาเกิดร่วมกับสัญญาและวิญญาณคราวนั้นก็ ยากที่จะแยกแยะเห็นตามความต่างกันและกันได้เป็นต้นงนถ้ามองอย่างนี้ก็บอกอ๋อปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลาความคิดนึกทั้งหลายแต่สัญญานี่เกิดตลอดวิญญาณนี่เกิดตลอดปัญญาจะเกิดมาเป็นบางครั้งบางคราวที่ได้เหตุปัจจัยที่จะให้เกิดงั้นส่วนถ้าการคิดเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาเกิดเมื่อนั้นแหละ ว, วิญญาณก็เกิดเมื่อนั้นแหละแต่ปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดตลอด โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้เหตุปัจจัยที่จะทําให้ปัญญาเกิ ด, ดแต่ละหมดสิทธิ์เลยปัญญาไม่เกิดเลยบางทีทั้งวี่ทั้งวันเกิด <c oughs> แต่สัญญาความจาเกิดแต่วิญญาณรู้แจ้งเออมีแค่ น, นี้แต่ปัญญาไม่เคยมาเกิดเลยเออมีไหมแบบนี้ได้มากสัตย์เดรัจฉานเยอะมดเลยบางทีพวกเราเพอเพอก็จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เสียดายจริงนะวันวั น, วนหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยฝึกให้ปัญญาเกิดน่าเสียดายไหมน่าเสียดายมากเลย แค่วันๆน่าจะทำให้สัญญาเกิดแต่น่าจะทาให้ปัญญาเกิดไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำนี่ยุ่งกันอตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเองว่าตอนชาลีกันหาเดินถอยหลังลงไปซ่อนซ่อนตัว อ, องค์อยู่ในสระน้ำก็เข้าใจว่าเออคนตามผู้ที่ตามเห็นรอยเท้าแล้วก็จะได้เข้าใจว่าทั้งสองขึ้นจากสระความคิดเช่นนี้เป็นปัญญาไหม ถอยลงตอนนั้นที่จะหนีหนีพอ่อไม่ให้ถูกจับส่งชูชกลงลงลงลงฮะถอยลงพอถอยลงนี้ เ, เสร็จปุ๊บก็จะได้รู้ว่าเออขึ้นอย่างน้ำแล้วแต่ที่จริงแอบซ่อนอยู่นี่นะนี่เป็นปัญญาหรือเปล่าอ้าวแต่นี่พ่อมาดูพ่อดูปุ๊บพ่อคิดยังไง พระเวสนดนมาเห็นรอยเท้าคิดยังไงอ่ะพ่อก็คิดนี่ถ้าคนขึ้นจากน้ำเนี่ยปลายเท้ามันจะจิกหรือว่าส้นมันจะมันจะหนักที่เท้าหรือหนักที่ส้น ห, หนักที่ปลายเท้าหรือส้อนเท้าถ้าจะคนจะขึ้นจากสารอ เ, าเออนี่เอ๊มมีลงเน่ยมันหนักที่ส้นเนีน่ยนี่ไม่ใช่ขึ้นแน่นี่ถอยหลังลงอันนี้เป็นปัญญาไว้เนี่ย เราเป็นปัญญาอยู่เหมือนกันโอ้โหไม่ใช่สัญญาแล้วนี่ปัญญานี่วิเคราะห์แล้วก็อย่างเดี๋ยวเมื่อกี้เท่ามองอย่างนี้จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยมีความรอบคอบลึกซึ้งกว่ากันเกี่ยวกันกระทึงการที่ใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์จากสัญญาเนี่ยเห็นไหมจากสัญญาที่จําปุ๊บสติดึงข้อมูลมาให้ปัญญาสอบสวนพอปัญญาสอบสวนวิจัยปุ๊บเราจะได้ประโยชน์จากสัญญาค่อนข้างเยอะ มันก็ฝึกฝึกใช้สัญญาฝึกใช้สติดึงข้อมูลจากสัญญาที่จำไว้เอาให้ปัญญาสอบสวนบ่อยๆนะดีไหมแล้วนะต่อไปจะได้ได้ประโยชน์การที่เจ้าชายเศรษฐาทอดพระเนธเห็นคนแก่เจ็บคนตายแล้วก็ทรงคำหนึ่งถึงความทุกข์ที่หมู่มวลมนุษยชาติต้องประสบกันทั่วสากลเนี่ยต่อมาก็เข้าพไทยถึงภาวะที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปรปวน แล้วก็แตกดับแล้วก็สามารถระงับความทุกข์อันเนื่องจากสาเหตุนั้นได้นั้นความเข้าใจอย่างเรียกว่าปัญญาพอาพระพุทธเจ้าประดิสถานพุทธศาสนาในแคว้นมคตก็โปรดพวกชนดินเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคตให้เลื่อมสายยอมรับนี่ปีชาความสามารถของพระเจ้านเนี้ยนี่เรียกว่าปัญญาแต่ม อ, องมเองยยอนี้ปาานนนนย ป, ญญปัญญาจึงเป็นกลางสําหรับความรู้ประเทณีกล่าววันี้ปัญญานี่ยมีหลายขั้นหลายระดับ แบ่งเป็นโลกียาปัญญาก็มีโลกุตละปัญญาก็มีมีศัพท์หลายอย่างที่ใช้ในพุทธศาสนาเนี่ยใช้ในกิจเฉพาะเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นญาณนะวิชาวิปัสนาสัมปชัญญะปริญญาพิญญาปฏิสัมพิทาเนี่ยเยอะเยอะเะมากนี่สภาพของปัญญาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เอาแล้วก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลามีใครจะถามอะไรไหมนู้ถามอะไรไหม ถามไหมไม่ถามโอเคเดี๋ยวตอนในตอนบ่ายค่อยมาวิเคราะห์กันต่อในเรื่องของทิฏฐิที่จริงวันนี้จะพูดในเรื่องของทิฏฐินะพูดถึงเรื่องของทิฏฐิความจําหมายที่ไม่ดีไอ้ความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนพอรู้เรื่องตัญหามันะทิฏฐิเยอะเยแล้วมันจะแก้ได้อย่างโดยเฉพาะเนี่ยจะบอกต่อไปจะได้แก้ปัญหาได้เออเราจะออกจากมันยังไงพยายามจะ เขี่ยประเด็นตรงนี้ให้ได้แล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกในที่สุดจริงๆเราจะไม่ติดความเห็นนะนะครันะต่อไปเราก็จะโอ้สบายเลยตรงนี้มันดีนะการทำทิฏฐิเกิดขึ้นก่อนนะครับนะบแต่ว่าถ้าตีบตันอยู่ที่ทิฏฐิไม่พัฒนาไปถึงปัญญานี่น่ากลัวใหม่ๆเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะเป็นทิฏฐิจริญหรอก ฝึจากตัณหาจริี่มาเป็นทิฏฐิเฉลีจากทิฏฐิเฉลี่ยเป็นถึงปัญญาเฉลี่ยได้เมืเ่อไงโอ้โหสุดยอดใช่ไมังกนไปติดกับทิฏฐิยุ่ง ม, มันละการจะพัฒนากระแสชีวิตมนุษย์นี่โดยเฉพาะเราเองให้เข้าถึงปัญญาใช้ประโยชน์จากปัญญาได้ปัญญาแล้วจะรู้ความจริงได้โอ้โหนี่ต้องต้องเข้าใจหลายหหลายอย่างโอเค